ปประชาชีให้สำเร็จนะอิสาพุเชิญองค์พระจอมพระพู้คขนาทดโทษสะพนทรงรับพรหมมิมน่านโอโรก แดงธํามนิมนต์เถิดทันเจาา้าค้าผู้วิชาอันเลิอรำโปรดแสดงพระสัจะรรมเทศนาและวาทีจะได้เสร็จ สมนิธิโปรเทศนาพระธรรมเอ่อสมัยสาวๆคงจะกลับเสียพาในวังไพร่เลาะอย่างตึกซึ่งนั่นนี่ให้ขนาด <c oughs>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 มาเทศอยู่ที่สลาเป็นประจำแต่ว่าก็เมื่อหลวงพ่อท่านให้โอกาสเมื่อไหร่ก็มาเทศเรื่อยสมัยนั้นสมัยนั้นอายุก็ยังประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหตอนนี้ก็ออกไปปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่เทศเมื่อก่อนก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเรานี่แหละฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อเรานี่แหละ ก็เห็นว่าใจสงบดีก็เลยอยากตั้งใจทําจริงๆสักครั้งหนึ่งว่าชีวิตนี้ต้องพอว่า อ, อ, อย่าเพิ่งสึกเลยไปสึกเอาชาติหน้าดีกว่าทช่นว่างี้แต่มาก็คิดว่าชาติหน้าเคยสึกชาตินี้ก็เลยตั้งใจปฏิบัติกับท่านเสร็จแล้วก็เห็นว่าความสงบนี้มันซาบซึ้งเย็นใจเหลือเกิน ศึกษาเราเรียนมาก็เป็นเวลานานแต่ไม่เห็นความสงบเยือกเย็นภายในอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจไปอยู่กับหลวงปู่เทศที่วัดอินหมากเป้งก็อยู่สองสามปีจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านเกิดคือที่ที่รู้กันอยู่ในปัจจุบันว่าวัดป่าดอนหายโศบนั่นแหละ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 ไม่พอเพียงก็คิดจะไปอาศัยป่าแห่งนั้นอยู่ก็ไปอยู่มาตั้งบ่านั้นถึงป่า น, นี้ก็เกือบก็ยี่สิบกว่าปีมาแล้วก็เห็นว่าถ้าปลูกต้นโพไว้ต้นหนึ่งตั้งแต่ไปอยู่ใหม่ๆตอนนี้ต้นโพก็รู้สึกว่าแตกกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาเย็นสบายนกหนูทั้งหลายก็ ไปอาศัยได้บ้างแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าจะเป็นไปได้กิ่งโพน้อยอาจจะยืนมาทางวัรรมงคลได้บ้างก็เลยถือโอกาสว่าลงไปกรุงเทพคราวนี้จะไปให้ตรงกับวันพระแลวจะไปเทศให้ญาติโยมเก่าๆที่ก็ไม่ใช่เก่ายามเก่าๆนะเก่าหมายถึโยม ที่เคยอุปถัมภ์หรือ เ, เคยปฏิบัติมาเมื่อเก่าก่อนที่อยู่กับหลวงพ่อมาเนี่ยอยากมาเทศสู่ฟังบ้างแล้วก็ที่มาใหม่ก็อยากจะมาเทศให้ฟังบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่า จ, จะเทศเป็นหรือเปล่าพร อ, อยู่ป่านานอาจะเป็นลิงเป็นข้างไปแล้วก็ไม่รู้เออถือว่า ผมก็ลาธนาไปแล้วเสียงเย็นจ่อยเลยต่อไปอาตมาจะถือโอกาสนี้แสดงธรรมให้ท่านสาธุชนทั้งหลายฟังแต่ก่อนที่จะฟังธรรมนั้นก็ควรที่จะได้นั่งสมาธิไปพร้อมๆกันเลยนั่งสมาธิไปพร้อมๆกันเลยเหมือนที่อย่างหลวงพ่อลววาพาธรรมนั่นแหละ เอาท่านจังใจที่ฐานสมาธิไว้เลยเอาก็เข้าสมาธิเลยนะเมื่อก่อนเคยกําหนดพุทโธพุทโธไว้ในใจก็ให้ออกความรู้สึกความรู้สึกที่มีอยู่ที่มันคิดนั่นคิดนี่นั่นแหละให้ไปรวมลงที่พุทโธ ถ้ากำหนดพุทธโธไม่ได้ก็หายใจลึกๆความรู้สึกก็จะรวมตัวกัน <c oughs> <c oughs> เมื่อความรู้สึกรวมตัวแล้วก็เอาความรู้สึกที่นึกพุทธโธนั่นแหละนึกอยู่ในพุทธโธเรื่อยๆอรรมาสแสดงทำไปเสียงก่อเสียงที่ธรรมาสแสดงก็จะเข้าทางหูอย่างที่หลวงพ่อเราพูดเสียงเข้าทางหู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 แต่ที่จริไมันใช่พอจิตมันวางลมมันรวมเป็นหนึ่งก็เป็นสมาธิเหมือน ก, นกันกับบริกรรมพุทโธอันเดียวกันบริกรรมพุทโธก็พอนึกพุทโธพุทโธอยู่ทุกอิริยาบถหรือทุขขกขณะจิตพอจิตมันสงบแล้วพุทโธก็จะหายไปไม่เหลืออยู่เลย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 ใครเป็นคนแก่ทุก ค, คือความเก็บใครเป็นคนเก็บทุก ค, คือความตายใครเป็นความตายใครเป็นคนตายทุก ค, คือพระภากจากไปทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดถึงความยึดมั่นถือมั่นใครเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นใครเป็นผู้พัดภากจากไปใครเป็นผู้เสีย อ, อกเสียใจก็คือเรานี่เองเพราะฉะนั้นให้ดูที่เรา ดูที่ใจของเรานี่แหละจะเห็นชัดความเกิดก็อยู่ที่นี่เราเกิดมาแล้วความแก่เราก็เห็นอยู่นี่แหละความเก็บก็เห็นอยู่ความตายก็อยู่ที่เราทั้งนั้นท่านว่าให้กำหนดรู้ทุกอันนี้เห็นทุกอันนี้เห็นทุกอันนี้แหละในใจของเราทุกคือความเกิดนี่จะต้องมีแก่เรา มีแก่เราแน่นอนมีแก่เรามาแล้วด้วยและก็มีแก่เราต่อไปด้วยทุกคือความแก่ก็เหมือนกันทุกคือความเจ็บก็เหมือนกันเราจะต้องได้รับอยู่ตลอดไปตราบใดที่เรายังมีการเกิดความแก่ก็ต้องตามมาความเจ็บก็ต้องตามมาความตายก็ต้องมาอะไรอะไรทุกอย่างก็ต้องตามมา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 พวกเกิดมานานแล้วเกิดมามากแล้วด้วยแม้พวกเราก็เหมือนกันพวกเราก็เกิดมานานแล้วเช่นเดียวกันสร้างความดีมานานแล้วเหมือนกันทําความเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์มาแล้วมากมายเหมือนกันนานแล้วเหมือนกันด้วยแต่ว่าทําไมเราจึงไม่สามารถ ไปทันพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่บรรลุตามพระพุทธเจ้าหรือในสมัยของพุทธเจ้าที่พงอย่างทรงผจนอยู่เพราะว่าเราบา ร, รมีเรายังไม่เต็มหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเรายังเพลินอยู่ในความสุขในทิพสมบัติในสวรรค์ในพรมโลกเมื่อเราเพลินอยู่ในทิพยสมบัติ เพลินอยู่ในความเกิดเพลินอยู่ในความแก่เพลินอยู่ในความเจ็บและเพลินอยู่ในความตายเราไม่เห็นโทษเราไม่เบื่อหน่ายเราไม่รังเกียจ เ, เราไม่เห็นภัยของวัตตะเราจึงต้องท่องเที่ยว อ, อยู่นานแสนนา น, นจึงไม่ทันพระพุทธเจ้าในขณะองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ แต่ว่าเราก็ยังไม่หมดโอกาสทีเดียวเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเช่นหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อใหญ่ของเราเนี่ท่านก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบเป็นตัวอย่างถึงความพ้นทุกข์และเมตตาพวกเราอยู่เข้ามาฝ่าฟันอุบาสค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 ก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้แหละก็ทาอยู่เดี๋ยวนี้แหละพยายามอยู่เดี๋ยวนี้แหละเพื่อที่จะให้ธรรมะที่มีอยู่ในตัวของเรานี่พ่องใสขึ้นมาเพราะธรรมะนั้นมันมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วอย่างที่ว่ามาแล้วนะมันมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วพ่องใสอยู่ในใจของเราอยู่แล้วแต่ว่าทาให้พ่องใสยิ่งขึ้นไปให้สว่างสวัยขึ้น ให้เห็นแจ้งประจับในทุกเหล่านี้เดี๋ยวนี้เรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นทุกเรายังไม่เห็นทุกของความเกิดความแก่ความเก็บความตายเรารู้อยู่เราเข้าใจอยู่เราฟังรู้เรื่องอยู่อในเรื่องเหล่านี้นะ่ะที่พระองค์ทรงแสดงไวนะ้น่ะแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นอยู่ในใจของเราเมื่อเราไม่เห็นอยู่ในใจของเราเราก็ละทุกข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 ขึ้นมาในใจของเราจริงๆแล้วจะไม่มีใครอยากเกิอดอีกเลยและจะไม่มีใครอยากแก่อยากเก็บอยากตายซ้ำซากอีกเลยถ้าเราเห็นทำยังไงนอะเราจึงจะเห็นเราจึงจะเห็นทุกที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยเราในตัวของเราเนี่เราทําทำทำอย่างไรถึงจะเห็น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 ให้กำหนดรู้ลงมาที่ตัวเราจนเห็นจนเห็นทุกข์อันนี้ว่าทุกข์อันนี้มีอยู่จริงและเป็นจริงในตัวของเราเนี่ยถ้าเห็นทุกข์อันนี้แล้วก็สามารถทำลายเหตุแห่งทุกข์นั้นได้สามารถทำลายเหตุแห่งทุกข์นั้นได้ทีเดียวแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็เพิดเพลินเราก็มัวเมาเราก็ลุ่มหลง เราก็เวียน่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปนานแสนนานพระพุทธเจ้าคอยพวกเรามานี้ก็นานแล้วสร้างบา ร, รมีคอยมาก็นานแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะทันโขาหรือไมอ่แสดงธรรมแสดงสาศาสนาไว้ก็ตั้งห้าพันปีห้าพันปีนี้จะพอกับความเพลิดเพลินของพวกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ ศาสนาภษีศีรีเมตไตรที่จะลงมาตรัสในการข้างหน้านี้เราจะเบื่อหน่ายในความทุกข์เหล่านี้หรือไม่ก็ไม่รู้หรือเรายังจะเห็นทุกข์เหล่านี้เป็นของดีเป็นของน่าเพลิดเพลินเจริญใจต่อไปอีกก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นศาสนาพรีศีรยเมตไตรก็ไม่แน่เหมือนกันว่า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 เอาชาติที่เฉพาะมีกระดูมารวมกันรวมกันไว้มันใหญ่เท่าภูเขาไวย บ, บูนบรรพทภูเขาไวย บ, บูนมรนพะท์น่ยมันอยู่ข้างภูเขาคิดจูกูสูงใหญ่มากเหมือนกันนี่หรือเราจะพูดให้มันเป็นภาษาที่เราฟังกันง่ายๆก็เท่าภูเขาหิมาลัยไปเลยนี่แหละกองกระดูของคนผู้เกิดตายอยู่ในวัฏฏานี้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 ผลจากว่าต่าทุกันนี้ไปก็เพราะว่าเราไม่เห็นทุกนั่นเองเราไม่เห็นทุกที่มีในตัวของเรานี่แหละเราจึงเพลินท่านจึงว่าทุกขาชาติกูนับปูนังเกิดบ่อยๆเป็นทุกขอยู่เรื่อยหรือพูดอีกอย่างหนึงว่าเกิดบ่อยๆเป็นทุกร่ําไปนี่แหละมันเป็นทุกติดต่อกันไปอย่างนั้นแหละเมื่อใด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 ไม่ว่าใครจะเกิดขึ้นมาจะต้องเป็นอย่างนั้นหมดไม่ว่าสัตว์ตัวไหนจะเกิดขึ้นมาจะต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของอันนี้จังทุกขังอนัตตาหมดสิ้นเนี่ยนี่แหละจะต้องตกอยู่ใต้อำนาจของความไม่เพียง แ, แ น, น่แน่นอนอยู่อย่างนั้นตลอดไปเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้ความแน่นอนไม่มีเลยความกิรังยั่งยืนไม่มีเลย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 ให้รวมลงเป็นหนึ่งทำให้เป็นหนึ่งขึ้นมาถ้าจิตนี้เป็นหนึ่งหรือว่ามีอารมณ์เดียวตั้งแต่คณิกะชั่วขณะหนึ่งอุปจาระสัตยาอยู่ภายในบ้างรู้อยู่บ้างสงบอยู่บ้างแต่ก็ยังรู้ตัวยังรู้สึกอยู่มีความเบาความสบายปลอดโปรงมากพอสมควร แต่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดเรียกว่าอุปจาระเกือบจะแน่วแน่เต็มที่นี่เราก็จะเห็นสุขเพิ่มขึ้นอีกเราก็จะเห็นความจริงเพิ่มขึ้นอีกถ้าเราทำจิตอ น, นี้น่ะให้วางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นอายตนะสัมผัสทัท้งสิ้นเสียง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 อยู่ในนั้นนานเท่าไหร่เราแต่งเอาไม่ได้กลับจากสภาวะอันนั้นขึ้นมาจะมองเห็นตัวของเรานี่เต็มพด้วยสภาพขอถอนกลับขึ้นมาสู่อุปจาระพับพรังจิตอันนั้นจะเข้มแข็งมากเด็ดเดี่ยวมากแน่วแน่มากเห็นความเป็นไป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 เมื่ อ, อกิจเราถึงสุขอันเพียงแท้หรือว่าอันแน่นอนแล้วมันก็ไม่มีการกลับเพราะอะไรเพราะมันเห็นอริยสัจชัดเจนทั่วทวนทุกประการแล้วเหมือนเราเห็นว่างูจงอางมันมีพิษร้ายแม้แต่จะเข้าใกล้เราก็ไม่เข้าใกล้แม้แต่จะจับไว้เอามือสอดเข้าปากเราก็ไม่กล้า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 พระนิพพานก็เรียกว่าถึงความเบาสบายเย็นใจตลอดเวลาไม่ว่าการไห น, ไหนเวลาไห น, ไหนเพราะฉะนั้นอาจะมาแสดงธรรมเป็นเครื่องปฏิการะหรือว่าตอบแทนบุญคุณของญาติโยมในโอกาสครั้งนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดี